สวัสดีครับผู้ฟังครับพบไทยจังหวัดนครพนม FM ความ 90.25 เมกะเฮิรตซ์รายเวลา 9:10 น. ถึง น. วัน 28 สิงหาคม 2557 ผม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 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมแล้วก็จากกลุ่มงานกิจการมวลชนจังหวัดนครพนมนะ ทางด้านคุณปฐมาพร 22 ซึ่งท่าน 3 ประเทศ 12 จังหวัดหรือ 12 แขวงนะครับ นะครับซึ่งท่านเค้า ราชามวลประชาอยู่ ท่านผู้ราชการจังหวัดนครพนมได้มอบหมายทางส่วนราชการต่างๆทั้งรัฐจนกิจการมวลชนแล้วก็กิจการยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็คงจะคุยกันใน <c oughs> 2-3 กระจายเสียงแห่งประเทศไทย 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับได้ฟังเย็นๆบรรยากาศ ผ่านราย 12 ครั้งนะครับ 2557 ถึงเดือนกันยายนนี่เป็น 6 กันยายน 2557ณสนาม หน้าศารคังจังหวัดนครพนมก็อยากจะเชิญชวน ที่จะมานําเสนอแรกนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะคืนความสุข 6 กันยาก็ นโยบายผลงาน 2 วัตถุประสงค์ก็เป็นลักษณะเพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้งนะครับถ้ากอง 3 ก็เป็นการสร้างธรรมาภิวัฒน์เข้าใจระหว่างกอง อ่าทหารกับพี่น้องประชา 4 ก็เพื่อเป็นการสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อจะนําสินค้ามาจําหน่ายบ้างมา นะครับจังหวัดนครหนมและก็โรงพยาบาลค่ายประยุทธนะครับที่จะมา ขอยนก็เชิญชวนพี่น้องที่กรุงเทพฯรักทุกท่านครับที่ว่าพี่ยังรักษาความมั่นคงภายในที่ผ่านทาง ฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่ 6 กันยาฝนคงไม่ตกก็อยาก ได้มอบหมายให้ดําเนินการในเรื่องของการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับกีฬาพื้นบ้านที่เราจะจัดคือ ให้พี่น้องประชาชนได้ออก 12 อําเภอของจังหวัดเราเนี่ยได้ทําการให 2557 นะครับแข่งมาแล้ว 5 ประเภทเป็นกีฬา ชายหญิงคนทีม 1 1 ทีมทีมชาย 1 ทีมเรือบกนะครับเรือบกก็มีทีมชายทีมหญิงนะครับวิ่งผลัดก็ทีมชายทีมหญิงวิ่งผลัดเนี่ยเราจะใช้ลูกปุงลักษณะเหมือนลูกปุงถือวิ่งนะครับถือวิ่ง มัดเชือกเข้าขาด้วยกันครับกอดคือกระโดดเชือกพาเพลินเหมือนอ่าเหมือนเด็กๆสมัย ใช้จํานวนครั้ง 1 ใชนาทีซึ่งคราวที่ 2 นาทีบางทีก็ไม่ถึงนาทีก็หมดแล้วนะครับเป็นๆน้องๆ ให้พี่น้องประชาชน สิงหาคมเมื่อกี้นี้ครับแต่เนื่องจากว่าภาวะฝนตกหนักก็เล 6 นี้เราก็ ที่ท่านได้รับมอบหมายจากบางตําบลที่ได้รับชนะเลิศได้เรียนในเรื่องนี้ว่าขอ หลังศาลากลางหลังเก่านะครับสนามกีฬาหลังเก่าทั้ง 5 ประเภทนะรายงานตัวก็ 13:00 น. ฉะนั้นเตรียม ที่จะว่าเอาเป็นทําตายแล้วเป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานนะครับโดยทาง กกท. ทาง เราก็จะเรียนเชิญจังหวัดนครหนมหรือว่าผู้ว่าราชการประมาณ 13:30 น. น, น, น, น, น, น 13. แล้วก็ท่านนายกองค์การมหาสมัครจังหวัดนครหนมนายกสุ้มชมนิติพจน์ก็จะเป็นจากแล 12 อําเภอ ส่วนในเรื่องพิธีเปิดอ่าอุปกรณ์เครื่องทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมโดยท่านนายกกลุ่มชอบก็ส่วนการจัด คงเทียวในกีฬาจังหวัดว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะแข่งขันสนุกสนานกองเชียร์ก็ขออยากให้ นายกองค์การเมืองส่วนจังหวัดนายกใน 12 อําเภอจะต้องเตรียมอาหารอะไรน้ํา ว่าทีมของอำเภอใดก็ขอให้เป็นสีสีขาวสีสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่สีเขียวตามความถนัดของแต่ในวัน 6 กันยายนพอหลังจากแข่งขันเสร็จ นะครับซึ่งมีศิลปินมากมายในวันนั้นนะครับณบุรีนหน้าๆมาออกร้านนะๆท่านครับ ตอนเย็นเลยครับประมาณ 22:00 น. นะ 6 กันยายน 2557ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด เขตพื้นที่ 3 ประเทศ 12 จังหวัดหรือ 12 แขวงที่จะมาร่วมแข่งขันกีฬานะครับผมก็อยากนําเรียนในเรื่อง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้วก็สํานักงานนะ 30 นะครับสิงหาคมเพราะฉะนั้นโอท็อปช็อปสนุก ได้ไปเที่ยวช้อปเที่ยวชมตามซื้อแล้วก็ช้อปตามอัธยาศัยก็บรรยากาศดีเย็น มีสินค้ามากมานําเสนอให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้เยี่ยมชมหรือแม้แต่ท่านจะไปเจรจาการ อ่าได้นําความสุขหรือว่าคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนแห่งประเทศไทยและก็ทีมที่ ให้โอกาสทั้งจังหวัดหรือว่าทางกองบรรเทารักษาๆของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตๆที่มานําเสนอนําเรียนให้สามารถที่ร้อง ไปติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าสอบถาม เพื่อจุดภาพพื้นเมืองมีผ้าเฉเลียงบ่าในประเพณีตักปัดข้าว เรามีองค์พระธาตุพนมที่ ขอเชิญชวนงานประเพณีหลาย 2557 ระหว่าง 1 ถึง 9 ตุลาคม 2557 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ การแข่งขันเรือย่ามมิตรภาพไทยลาวและมหกรรม 8 ตุลาคมพบ 1-9 ตุลาคม เที่ยวงานไหลเลือบไฟเล่งงานกาชาติจังวัดนครอนพนมเดอ<า> สาวเล่นนครพนมเบิงจากเจื้อลองเชือคำนงสาวนครคิวเรืองอ่อนดังทองสวยแท้คือสาวผู้ไทยสวยบาทใจชาย สวยบาทไก่ชายสาววัยรุ่น หวานสาวท่านตาลก็น่าดู แต่ละเอาไฟถ้าพร้อม 2 ก็จังเป็นค่าโอ๋คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการ ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วงนี้ 2 จาก 2 ท่านนะ 22 นะครับคุณ 3 ประเทศ 12 จังหวัดหรือ 12 แขวง ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง 3 ประเทศ 12 จังหวัด 12 แขวงนะคะ ตามกรอบบัตรอาเซียน 5 ปีพุทธศักราช 2554 ถึง 2558 ภายใต้กรอบ 3 เสาหลักด้านมี 5 นโยบายหลัก ภายในปี 2558 การพัฒนาศักยภาพ และจัดทําโครงการแข่งขันกีฬา จังหวัดหาติงจังหวัดนิอ่านและอยู่ 5 ชนิดด้วยกันได้แก่เทเบิลเทนนิสแบดมินตันวอลเลย์บอลเปตอง 18 ปีใน ใน 12 จังหวัดนะคะซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม 53 คนรวม 683 คนนะคะซึ่งการดําเนินการแข่ง 30 กันยายนถึง 2 ตุลาคม 2557 นะคะกีฬา หญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และก็คู่ผสมส่วนหญิงเดี่ยวชายคู่หญิง 12 คนอายุไม่เกิน 18 ปีเปตองเป็นทีมหญิงทีมชาย อนุภูมิภาคแม่น้ําโขงโดยจะใช้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ อ่ากำหนดนะ 30 นะครับกันยายนก็จะมีการแถลง น. นนะครับแล้วก็ เป็นประธานนะครับในการเลี้ยงรับจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1 เปนะครับก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดนะครับพร้อม นะครับแล้วก็จะผ่านเคลื่อนผ่านมาหน้า ส่วนสถานที่แข่งขันนะครับ 3 สถานที่นะครับก็คือที่แรกก็คือจะเป็นเอ่อศูนย์กีฬาโรงเรียนปิยะ ส่วนสุดท้ายกีฬาแบดมินตันนะครับจะแข่งขันที่สนามกีฬาแบดมินตันสิริรัตน์คอร์ตนะครับก็นําเรียนทุกท่านที่จะต้องการรับชมนะครับสามารถที่ สำหรับที่พักนักกีฬาก็จะอยู่ 4 วันด้วยกันประเทศลาวนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตย โรงแรมดารานะครับเป็นของแขวงสะวนาเขตนะครับแล้วก็โรงแรมกันเกล 6 จังหวัดด้วยกันนะ โรงแรม The Room Hotel นะครับจะเป็นจังหวัดนะ SP Resident จังหวัดบึงกาฬโรงแรม Deliver นะ บ, ข VIP ทางของท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ อ่าประชาชนท่านใดที่ต้องการจะรับชมอ่าการแข่งขันกีฬานะครับก็สามารถที่จะรับ 2 ตุลาคม 2557 นะคะซึ่งจะมีนักเรียนและก็ผู้เกี่ยวข้องเดินทางอ่า อ่าซึ่งสถานที่แข่งขันก็จะเป็นศูนย์กีฬา อ่ามัธยมศึกษาเขต 22 เนี่ย นะครับมัธยม 1 ถึง 6 ครับครับก็ถือว่าเป็น 30 กันยายนถึง 2 ตุลาคมคงจะเป็น ก็คงจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวนครพนมก็คงจะได้มีโอกาส หรือ 12 แขวงไปแล้วนะครับก็เป็น 26 สิงหาคม 30 สิงหาคม ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมและ ที่ได้นําเรื่องราวของการแข่งขันกีฬารวมครคร 22 ครับที่ 3 ประเทศ 12 จังหวัด 12 แขวง ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ น. ถึง 10:00 น. นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ด้วยชุดภาพพื้นเมืองมีผ้าเฉเลียงบ่าในประเพณี เรามีองค์พระธาตุพนม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 การแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทยลาวและมหกรรมสายน้ำโขงมหาทารามนตรานครพนมพร้อมมหรสพมากมายหมอลำซิ่งคอนเสิร์ตสนุก 8 ตุลาคมพบกับ เยว่งานไหลเลือดไฟราย พน้อมร่วมกับองค์ 2557 ระหว่าง 1, ระาาระ 25 ระวว1 9 ตุลาคม 2557 บริเวณ ไทยลาวเวียดนามการแข่งขันเรือย่ามิตรภาพไทยลาวและมหกรรม 8 ตุลาคมพบ 1-2 ตุลาคมชมจันทร์ เที่ยวงานไหลเลือดไฟ ด้วยชุดภาพพื้นเมืองมีผ้าเฉียงบ่าในประเพณีตักปัดข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวัน